เรื่องที่ยกอวิชชาและภาะวะตันหาเป็นหัวข อ, อต้นของวัตตะแต่ก็ไม่ใช่เป็นมูลการนั้นมีพุทธพจน์แสดงไว้อีกเช่นในอวิชชาสูตรอังคุตรนิกายทัสกนิบาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่าก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้นเรื่องนี้เรากล่าวดังนี้ว่าก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอวิชชาจึงปรากฏตามความในพระสูตรนี้อวิชชามีอาหารคือนิวรหะส่วนภวะตันหาก็มีพุทธพ์ธแสดงไว้ในตันหาสูตรอังคุตรนิกายากาทัศกานิบาศมีความหมายอย่างเดียวกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายปลายแรกสุดของภาวะตันหาจะปรากฏก็หาไม่ว่าก่อนแต่นี้ภาวะตันหะมิได้มีครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้น เรื่องนี้เรากล่าวดังนี้ว่าก็แลเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพราะวะตัญหาจึงปรากฏข้อที่อวิชชาและตัญหาเป็นตัวมูลเหตุและมาด้วยกันก็มีพุทธพจน์แสดงไว้เช่นในภาละปันฑิตสูตรสั่งยุตตนิกายนิทานวักมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้แก่คนพาลแก่บัณฑิตผู้ถูกอวิชชาปิดกั้น ผู้ถูกตันหาผูกรัดก็แหล่กายนี้นั่นเองกับนามรูปภายนอกจึงมีเป็นสองอย่างอาศัยสองอย่างนั้นจึงมีผัสสะเพียงหกอายตนะเท่านั้นคนพาลบัณฑิตได้ผัสสะโดยทางอายตนะเหล่านี้หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงได้เสวยความสุขและความทุกข์ข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทาความเข้าใจเป็นพิเศษข้อที่ห อาการที่องค์ประกอบต่างๆในปฏิจจสมุปบาทสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันนั้นย่อมเป็นไปโดยแบบความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบรรดาแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างตามคำอธิบายในพระอภิธรรมปิฎกคำพีมหาปัฏฐานในแนวที่เรียกว่าปัฏฐาน น, น, นัยะอหนึ่งองค์ประกอบแต่ละข้อย่อมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกว้างขวางอยู่ในตัว เช่นเรื่องวิญญาณหรือจิตก็แยกออกไปได้อีกว่าวิญญาณหรือจิตที่ดีหรือชั่วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีกี่ระดับจิตอย่างใดจะเกิดได้นัพบใดดังนี้เป็นตน้นหรือในเรื่องรูปก็มีรายละเอียดอีกเป็นอันมากเช่นรูปมีกี่ประเภทแต่และอย่างมีคุณสมบัติอย่างไรในสภาวะเช่นใดจะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนี้เป็นตน้นเรื่องปัจจัยี่ี่นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประกอบแต่ละข้อแต่ละข้อก็ดีเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องนำมาแสดงไว้ในที่นี้ทั้งหมดผู้สนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคำภีฝ่ายอภิธรรมจากคำอธิบายข้างต้นอาจแสดงเป็นแผนภาพประกอบความเข้าใจได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่4ี่ทับสี่และแผนภูมิที่4ี่ทัห้าหมายเหตุประกอบแผนภูมิที่4ี่ท้า เทียบตามแนวอริยสัจเรียกช่วงเหตุว่าสมุทยัยเพราะเป็นตัวการก่อทุกเรียกช่วงผลว่าทุกขอีกอย่างหนึ่งเรียกช่วงเหตุว่ากรรมภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายสร้างเหตุเรียกช่วงผลว่าอุปปัติภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายเกิดผลจุดเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลและผลกับเหตุเรียกว่าสนธิมีสามคือสนธิที่หนึ่ง เท่ากับเหตุผลสนธิสนธิที่สองผลเหตุสนธิสนธิที่สามเหตุผลสนธิ